วันนี้เป็นวันอังคารที่19กลุุ่มภาพันธ์พุทธศักราชสอง2ันห้าตรงกับวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนสามเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันมาคาบูชา วันที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้น้ำลึกถึงวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพวกเราก็มีอยู่สามวันด้วยกันคือวันวิสาขาบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือนหกอันนี้เป็นวันที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตรทรงตรัสรู้และทรงเสด็จดับขันธ์ธาตปานิพันธ์วันสําคัญวันที่สองก็คือวันอาสาละหะบูชาวันเพ็ญเดือน8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนให้แก่สัตว์โลกเป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นวันที่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาถึงวันเพ็ญเดือนสามคือวันมาฆบูชานี้ก็เป็นวันที่เกี่ยวกับ พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ารวมกันแล้วก็คือเป็นวันที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรที่เป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีขึ้นมาได้เพราะมีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ หลังจากที่ได้ทรงตัดสรุแล้วก็ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกหลังจากที่มีผู้ได้ยินได้ฟังน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาในวันเพ็ญเดือนสามวันมาฆบูชานี้มีเหตุการ สี่ประการด้วยกันที่เรียกว่าจาตุรงสั น, นิบาตที่เป็นคุณสมบัติของวันมาคะบูชาคือหนึ่งเป็นวันเพ่นเดือนสามสมัยพุทธกาลเรียกว่าเดือนมาคะสองมีผ้าภิกษุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาจากสาวรทิต่ตางๆ มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันสพระภิกษุเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุเกิดเป็นพระที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงและสี่พระภิกษุหนึ่งสองรหรูปนี้ล้วนเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้ที่ได้สําเร็จ การปฏิบัติได้บรรลุถึงพระนิพพานด้วยการเทครูปูนี่คือจาตุรงสันนิบาตที่เป็นองค์ประกอบของวันมาคะบูชานี้การที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองรห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงให้เห็นว่า พระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี้เป็นคำสั่งคำสอนที่ไม่เป็นหมันเป็นคำสั่งคำสอนที่มีเหตุมีผลที่สามารถยังประโยชน์ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้น้อมนาเอาไปปฏิบัติถ้าได้ปฏิบัติแล้ว ก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานคือการสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อันนี้เป็นการยืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมเป็น คำสอนที่ทรงตรัสไว้ชอบแล้วถูกทุกประการถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการคือการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็สามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสสรุป ทางที่นำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี้หลังจากที่มีพระพุทธเจ้าทรงตัดสรูแล้วแล้วได้ประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานด้วยกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชสามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคนเพราะว่าการบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สถานภาพว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือน ในสมัยพระพุทธกาลนี้ผู้ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานนี้มีทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีหญิงก็มีชายก็มีคาระวะทูกครองเรือนก็มีนักบวชก็มีอันนี้ขอให้พวกเราทุกคนมีความมั่นใจว่าพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบรรลุ ถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคนไม่มีอะไรมามากียรการการบรรลุ ข, ของพระนิพพานของพวกเรานอกจากความหลงของพวกเราเองความเห็นผิดเป็นชอบของพวกเราที่อาจจะไปคิดว่าเราเป็นผู้ของเรือนเราเป็นผู้หญิงเราเป็นเด็กเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติ เหมือนกับผู้ชายเหมือนกับนักบวชได้แต่ในสมัยพุทธกาลก็ได้มีการยืนยันให้เห็นแล้วว่าทุกคนนี้สามารถปฏิบัติให้ถึงพานิพานได้ด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่ามีความศรัทธาความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ อยู่ที่มีความภาคเพียรพยายามที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่นี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงพระนิพพานกันต้องมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระธรรมคาสอนทุ ก, ทกบททุกบาท เป็นความจริงทั้งนั้นเป็นทางสู่การดับทุกข์เป็นทางสู่การบรรลุถึงพานิพานถ้าน้อมนำเอามาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นใครก็ตา่างจะสามารถบรรลุได้อย่างแน่นอนอาจจะช้าหรืออาจจะเร็วต่างกันไปตามกำลังของความสามารถของแต่ละคน กำลังของความภาคเพียรพยายามกำลังของสติปัญญาของแต่ละคนซึ่งอาจจะมีไม่เท่ากันแต่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคถ้ามีศรัทธาความเชื่อที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนอย่างต่อเนื่องทำให้มากขึ้นไปตามลำดับ รับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วจะได้ถึงพระนิพพานกันอย่างแน่นอนจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปการเกิดนี้มันไม่ดีเพราะมันเป็นทุกข์นั่นเองพอเกิดมาก็ต้องทุกข์กับการเลี้ยงชีพ ทุกขกับการดำรงชีพแล้วก็พอดำรงชีพได้ก็จะต้องไปทุกข์กับความแก่ต่อไปแล้วก็ต้องไปทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องไปทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพรากจากกันหลังจากที่ตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญ ตายไปก็ต้องไปรับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแต่หลังจากที่ได้ไปเกิดในอบายหรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้ว พอบุญหรือบาปที่เป็นเหตุให้ไปเกิดตามที่ต่างๆนั้นหมดกำลังลงจิตใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใปมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากจากกันใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด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 เป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งธรร ม, มก็จะมีโอกาสที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นโชคมหาศารเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้ง<ม>ถ้าจะวะเปรียบเทียบกันแล้ว การได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะง่ายกว่าการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งนานๆที่จะมีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงฆ์สาวกมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา ที่เป็นเหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นทางที่จะพาให้เราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องรอให้คนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าหรืออย่างพระอริยสงสาววกที่จะมาสอนมาบอกวิธีให้พวกเราได้เห็นทางที่จะพาให้พวกเรา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงชาตินี้ของพวกเราทุกคนนี้ยึงถือว่าเป็นชาติที่วิเศษมากเป็นโชคมหาโชคของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ตาม แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงจากพวกเราไปพระองค์ก็ได้ทรงบอกไว้ว่าพระธรรมคําสอนที่พระองค์ได้สั่งสอนมาตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันนี้ที่ได้มีการบันทึกได้มีการจดจํากันไว้และถ่ายทอดกันมาและบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกนี้จะเป็นาศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไป โลกเราจะไม่ได้อยู่ปราะศะจากระษาสดาถ้าเรามีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราสามารถถือพระธรรมคำสอนนี้เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าได้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนที่ได้มีบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกนี้ หรือถ้าเรามีโอกาสได้พบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถอาศัยพระอริยสงสาวกเป็นผู้นําทางเป็นผู้สั่งสอนให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้น รู้จากทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้พบแล้วก็เข้าหาศึกษาและปฏิบัติตามแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้คือโชคของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่ได้พบเราจะไม่รู้จักวิธีของการ ดับทุกวิธีของการบรรลุถึงพระนิพพานว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง mm hmm. ในวันมาค้าบูชานี้วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระอรหันต์หนึ่งันสองรอห้าสิบรูปที่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า mm hmm. องค์ได้ทรงสอนทรงบอกคำสอน ที่จะนำให้ผู้ที่หลุดพ้นผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้นำเอาไปปฏิบัติเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรูปกี่รูปกี่สมัยก็จะมีคำสอนที่เหมือนกันคือทางสู่การหลุดพ้นนั่นเอง ทางสู่การหลุดพ้นนี้มีคำสอนอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสัปปะปาปัสสะอาการานังให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมกุศลสู้ประสัมปทาให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์สจิตตปริโยดะปนัง นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์<ม>เอตังบุทานาซาสนัง<ม>นี่คือพระโอวาทปฏติโมกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในวันที่มีพระอาหารหันตสาวกหนึ่งพันสองร้ห้าสิบรูปมาเฝ้าการแสดงธรรมนี้ไม่ได้แสดงธรรมเพื่อพระอาหารหันตสาวก เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเป็นการแสดงให้พระอาหารหันตสาวก ท, กทุกทุกรูปให้ทราบว่านี่คือคำสอนที่ควรจะนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าใครได้ยินคำสั่งคำสอนนี้ก็เท่ากับได้ เห็นทางสู่การหลุดพ้นแล้ว เ, ออเมื่อเห็นทางแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือต้องออกเดินทางออการเห็นทางการรู้ทางยังไม่ได้พาให้ผู้ที่ต้องการไปสู่จุดหมายปลายทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางไดออ้การจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั้นต้องไปด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน เหมือนกับการเดินทางต้องเดินทางจากบ้านไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถ้าเราเยียงอยู่ในบ้านอยู่เราจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราต้องออกเดินทางจากบ้านของเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเดินด้วยเท้านั่งรถยนต์หรือพายเรือหรืออะไรก็ตาม ถ้ามีพานะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าได้ออกเดินทางแล้วเราก็จะได้เดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันได้การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าเป็นการออกเดินทางทําตามที่พุทธเจ้าทรงสอนตามขั้นตอนทรงสอนให้ทําขั้นที่หนึ่งก็คือ ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็สอนขั้นที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้สร้างขั้นที่สามคือให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดติเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่เป็นเหตุที่พาให้จิตใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมันจะไม่ยากเลยเหมือนกับการไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือถ้าเราไปเรียนตามชั้นที่เขาให้เราเรียนพอเราเข้าโรงเรียนก็เข้าชั้นอนุบาลก่อนจากชั้นอนุบาลเราก็ก้าวขึ้นสู่ชั้นประถมจากชั้นประถมแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ชั้นมัธยมจากชั้นมัธยมเราก็จะก้าวขึ้นสู่ ระดับปริญญาชั้นต่างๆปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกตามลำดับต่อไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นพอเริ่มเข้าโรงเรียนก็จะไปเรียนระดับปริญญาเลยเราก็จะไม่สามารถเรียนได้เพราะว่าเรายัางไม่มีภูมิไม่มีความสามารถที่จะเรียนในระดับสูงๆได้นั่นเอง เราต้องเริ่มจากระดับต่ำก่อนทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันการที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ต้องเริ่มจากชั้นอนุบาลก่อนชั้นแรกชั้นอนุบาลหรือชั้นปฐมนี้ก็คือการละการกระทำบาปทั้งปวงบาปก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณี 4. การพูดปดและ 5. การดื่มสุรายาเมาและอบายมุกต่างๆอบายมุกนอกจากการดื่มสุราแล้วก็มีการเล่นการพนันการเที่ยวเตรการคบคนที่ชอบอบายมุกเป็นมิตร และความเกลียดคร้านนี่คือเรียกว่าบาปทั้งปวงมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดิมสรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตรครบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรและความเกลียดคร้านอันนี้เป็นสิ่งที่ ทุกคนสามารถทำได้ไม่ยากเย็นเลยเช่นตอนนี้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็กำลังละการกระทำบาปทั้งปวงอยู่แล้วตอนนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้รักทรัพย์เราไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีเราไม่ได้พูดปดเราไม่ได้ดื่มสุรายาเมาไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้เที่ยวเตรไม่ได้คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตร ไม่มีความเกียดคา้านตอนนี้เราทําได้แล้วมันไม่ยากเย็นเลยเรื่องของการละการกระทําบาปทั้งปวงถ้าเราคอยบังคับให้เราอยู่เฉยๆให้ได้เท่านั้นเองการไม่กระทาบาปนี้ง่ายกว่าการกระทําบาปอีกเพราะการกระทําบาปนี้ต้องใช้กำลังต้องใช้ทรัพยากรเช่นจะไปลักทรัพย์นี้ก็ต้องไป ดูสัก่อนว่าทรัพย์ที่จะรักนี่นีอยู่ที่ไหนจะขโมยอย่างไรจะทำอย่างไรจะทำให้คนไม่เห็นเวลาที่เราขโมยต้องใช้ความคิดใช้ความพยายามอะไรหลายอย่างด้วยกันถึงจะทำบาปได้แต่ถ้าไม่รักทรัพย์นี่ง่ายก็อยู่เฉยๆเท่านั้นเองนะถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงแล้ว การไม่กระ eigentlich. ทำบาปนี้มันง่ายกว่าการกระทำบาปแต่ทำไมพวกเราจึงเห็นว่ามันยากกว่าทำไมเราจึงเห็นกลับกันเห็นว่าการกระทำบาปนี้มันง่ายกว่าการไม่กระทำบาปก็เพราะว่าใจของพวกเรานั้นมันถนัดในการกระทำบาปนั่นเองไม่เคยไม่กระทำบาปเหมือนคนที่ถนัดมือขวานี่ ถ้าจะให้ไปใช้มือซ้ายก็จะรู้สึกว่ายากเพราะว่าไม่เคยใช้มือซ้ายมาก่อนเคยใช้แต่มือขวามาตลอดก็เลยรู้สึกว่าง่ายเวลาจะใช้มือขวาทำอะไรมันง่ายกว่าเวลาใช้มือซ้ายแต่ถ้าเราสมมติว่ามีอุบัติเหตุมือขวาเราพิการไปใช้มือขวาไม่ได้เราก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายกัน เมื่อเราหัดใช้มือซ้ายไปสักระยะหนึ่งต่อไปเราก็จะถนัดใช้มือซ้ายเหมือนกับที่เราถนัดใช้มือขวาดัางนั้นมันอยู่ที่การฝึกหัดเนี่เองเรามีความถนัดในการทำบาปเพราะเราเคยทำบาปมาอย่างต่อเนื่องทาบาปมาอย่างโชคโชนทาบาปมาทุกภพทุกชาติเพราะว่าเรามีสิ่งที่คอยผลักดันให้เรา ไปทำบาปกันสิ่งที่คอยผลักดันให้เราทำบาปก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆหรือความโกรธเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธพอโกรธก็จะถูกความโกรธหรือความโลภนี้สั่งให้เราไปทำบาปกันแต่ตอนนี้เรามาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านสอนว่าให้เราคอยควบคุมคอยระงับความโลภความโกรธความอยากกันอย่าทำอะไรตามความโลภอย่าทำอะไรตามความอยากถ้าเราคอยระงับเราก็จะลดสิ่งที่จะคอยผลักดันให้เราไปทำบาปได้การจะไม่ทำบาปนี้สิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือเราต้องเห็น ดูผลที่จะเกิดขึ้นจากการไปทำบาปการทำบาปนี้มีผลเสียต่อจิตใจและร่างกายผลที่เสียต่อจิตใจก็คือเวลาทำบาปแล้วใจของเราจะร้อนใจของเราจะไม่สบายใจจะวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวที่จะถูกจับไปลงโทษนั่นเองอันนี้ เป็นผลที่เกิดทางจิตใจทันทีพอทำบาปแล้วจะไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับส่วนโทษทางร่างกายนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะไปเกิดพบหน้าชาติหน้าก็ได้อันนี้ไม่แน่นอนทำบาปแล้วอาจจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็ไม่มีใครจับไปลงโทษได้แต่ บาปที่ทำนี้มันมีติดอยู่ในใจที่จะพาให้จิตใจนี้ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจนี้จะต้องไปรับผลบาปต่อไปต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงต้องไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความโลภไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความกลัว ไปตกนรกถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทความโกรธเกลียดน mm hmm. นี่คือผลของการกระทำบาปจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม mm hmm. จะมีใครรู้หรือไม่รู้ก็ตาม mm hmm. กฎแห่งกรรมนี้จะจัดการกับจิตใจของสัตว์โลกเวลาที่สัตว์โลกร่างกายของสัตว์โลกนั้นตายไปแล้ว mm hmm. จะต้องไ ป, ไป เป็นตามที่กรรมของตนได้ทำเอาไว้ไม่ต้องมีตำรวจมาคอยจับไม่ต้องมีศาลมาคอยพิพากษาโทษอันนี้กฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎอัตโนมัติถ้าทำบาปแล้วต้องไปอบายอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากไปอบายก็อย่าทำบาปหรือทำบาปให้น้อยกว่าทำบุญ เพราะว่าบุญถ้ามีมากกว่าบาปบุญจะมีกำลังที่จะดึงใจให้ไปรับผลบุญผลบุญก่อนผลบาปนี้ไม่หายไปไหนแต่ยังไม่มีกำลังสู้กำลังของบุญไม่ได้ยังไม่สามารถส่งผลได้เท่านั้นแต่ถ้าเวลาใดที่บุญมีน้อยกว่าบาปเวลานั้นบาปที่ทำไว้ก็จะส่งผล ทำให้จิตต้องไปเกิดนอบายต่อไปนี่คือวิธีคิดที่จะทำให้เรากลัวบาปกันที่ท่านเรียกว่าฮิริโอตปะฮิริแปลว่าความละอายโอตปะคือความกลัวผลของบาปที่ได้ทํากันถ้าเรารู้ว่ามีผลบาปตามมาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่โกหกพระพุทธเจ้าพูดตามความเป็นจริงที่พวกเราอย่างมองไม่เห็นกันเนื่องจากใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายนั่นเองเราจึงเราไม่รู้ว่าใจนี้อยู่ที่ไหนใจเป็นอย่างไรหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ใจไปสวรรค์ไปนรกไปอย่างไรอันนี้เราจะไม่รู้กันเพราะว่าเรามืดบอดตาของเราบอดตาในของเราบอดตาที่จะเห็นใจคือใจนี้มืดบอดถูกความหลงถูกความไม่รู้ครอบงำปิดบังเอาไว้ทําให้ไม่รู้จักว่าใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายใจคือผู้รู้ผู้คิดนี้ เวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจแต่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็เรียกใจนี้ว่าเป็นดวงวิญญาณเวลาเวลาร่างกายตายไปเราก็พูดว่าวิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้วนี่ไปไหนอยู่ไปอยู่อย่างไรอันนี้เราก็เพียงแต่ได้ยินว่าไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างนารกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรอยู่ตรงไหน เราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เรามีอยู่ไปวัดไปตรวจไปค้นพบได้ว่าสวรรค์อยู่ตรงไหนนรกอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันอยู่ในโลกทิพย์ใจนี่อยู่ในโลกทิพย์ณที่ที่เป็นสวรรค์หรือนรกนี้ก็ไม่ใช่สถานที่มันเป็นสถานภาพของใจนี่เอง ใจที่ทำบุญก็จะเป็นใจที่มีความสุขมีความเย็นใจที่ทำบาปก็จะมีความทุกข์มีความร้อนมีเหตุการณ์ไม่ดีปรากฏขึ้นมาในมโนภาพของใจนั่นเองเช่นตอนที่เวลาที่เรานอนหลับกันเวลานอนหลับนี่ก็เป็นเหมือนกับที่เวลาเราตายเพราะตอนนั้นร่างกายก็นอนอยู่เฉย ไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไรไม่รับรู้อะไรตอนนั้นใจก็เหมือนแยกออกจากร่างกายชั่วขา่าวเหมือนตอนที่ร่างกายตายตอนนั้นใจก็จะไปรับผลบุญผลบาปในรูปแบบของเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาใน ม, นมโนภาพนี้เองสิ่งที่ปรากฏเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในมโนภาพเราก็เรียกว่าฝัน เราก็จะมีฝันดีหรือฝันร้ายอฝันดีก็เป็นอํานาจของบุญทําให้ฝันดีฝันร้ายก็เป็นอํานาจของบาปที่ทําให้ฝันร้ายอันนี้ตอนที่เราอยู่ตอนนี้เรานอนหลับแล้วเราฝันนี้เราไม่รู้ว่ารับนอนหลับกันเราคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆน จ, จะมารู้ทีหลังก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วครับ พอตื่นขึ้นมาเราถึงบอกอ๋อเมื่อกี้นี้ฝันดีนะเมื่อคืนนี้ฝันดีฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่หรือว่าฝันร้ายไปเจอเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวอันนี้แหละคือสภาพของใจเวลาที่ไม่มีร่างกายใจจะอยู่กับเหตุการณ์เหล่านี้ตามอํานาจของบุญและของบาป ไปจนกว่าอํานาจของบุญของบาปนั้นหมดกําลังลงถ้าเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ก็จนกว่ า, าม้ว น, นภาพประยนต์นั้นมันหมดภาพยนตร์ก็จบอันนี้ก็เหมือนกันพอบุญหรือบาปที่สร้างมโนภาพต่างๆนี้หมดกําลังลงมโนภาพที่ปรากฏในใจก็จะหายไปแล้วใจก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่พอออกจากท้องแม่ออกมาก็ตื่นขึ้นมาใหม่การตายนี้ความจริงแล้วก็เป็นเพียงการไปเปลี่ยนร่างกายนั่นเองร่างกายของเราที่มันแก่มากๆมันอยู่ต่อไปไม่ได้มันหมดแรงที่จะหายใจมันก็หยุดหายใจพอหยุดหายใจใจก็ต้องแยกออกจากร่างกายไป แล้วก็ไปหาร่างกายหรือไปรอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอรับนั้นก็เป็นช่วงที่ไปรับผลบุญผลบาปด้วยการอยู่กับมโนภาพต่างๆมโนภาพที่ดีที่ให้ความสุขหรือมโนภาพที่ไม่ดีที่ให้ความทุกข์จนกว่ามโนจนกว่าบุญหรือบาปที่ผลิตมโนภาพเหล่านั้นหมดกาลังลง ก็จะไปได้ร่างกายอันใหม่ของมนุษย์แล้วก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เกิดใหม่นี่คือเรื่องของใจเรื่องของผู้ที่ไปผู้ที่กระทำบุญหรือกระทำบาปแล้วผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปก็อยู่ที่ใจและผลบุญผลบาปก็ไม่ใช่เป็นสถานที่สวรรค์ไม่ได้อยู่ตรงนู้นนรกไม่ได้อยู่ตรงนี้ สวรรค์หรือนรกนี้อยู่ในใจอยู่ในรูปของมโนภาพที่จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้สัมผัสรับรู้เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับนะตอนที่เรานอนหลับนี้เราเรียกว่าตายชั่วคราวยังไม่ตายถาวรตายแบบไม่ได้เปลี่ยนร่างกายอันใหม่เรานอนหลับไป8ปปดชั่วโมงตื่นขึ้นมาเราก็กลับเข้ามาสู่ร่างกายอันเก่าของเรานะ แต่ถ้าตายแบบร่างกายอันเก่านี้หมดสภาพอันนี้เราก็จะตายแบบายาวกว่าจะตื่นขึ้นมากว่าจะก็ก็จก็จนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอได้คลอดออกมาจากท้องแม่ปับ๊บเราก็จะตื่นขึ้ น, นมาทันทีอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เร า, าเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาป จะทําให้เรากลัว ก, กับการกระทําบาปเพราะทาบาปแล้วเราจะพบกับความทุกข์ยากลําบากต่างๆที่มันจะผลิตขึ้นมาในใจของเราเองในเวลาที่เราไม่มีร่างกายเช่นตอนที่เรานอนหลับหรือตอนที่เราตายไปถ้าเราเชื่อคําสั่งคําสอนว่านี่คือความจริงที่จะเกิดกับใจของเราเราเคยฝันร้ายบ้างไหม คอยฝันแล้วพอตื่นขึ้นมานี่มีความรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเลยอันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะความฝันนี้มันก็เป็นเหมือนหนังตัวอย่างนี่เองมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเวลาเราตายไปนี่เราจะไปฝันแบบไหนกันถ้าเราขณะที่มีชีวิตอยู่เรามักจะฝันไม่ดี นี่แสดงว่าเราทำบาปมากกว่าทำบุญแล้วถ้าเราน อ, นอนหลับแล้วเราฝันดีกว่าฝันไม่ดีแสดงว่าบุญของเรานี้มากกว่าบาปตอนที่เรายังไม่ตายนี้เรายังมีโอกาสปรับได้ปรับบุญปรับบาปได้คือเพิ่มบุญเพิ่มบาปได้ถ้าเรารู้ว่าบุญเราน้อยกว่าบาปเราก็พยายามทำบุญให้มากขึ้น ทำมากทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพอบุญมากกว่าบาปแล้วเวลาเรานอนหลับเราจะเห็นหนังตัวอย่างว่าจะนอนหลับฝันดีมากกว่าฝันร้ายลดการกระทําบาปให้น้อยลงเพิ่มการกระทําบุญให้มากขึ้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เรายังปรับได้อยู่ปรับความสมดุลของบุญและบาปได้แต่เวลาที่เราตายไปแล้วนี้เราปรับไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถสั่งให้ใจไปทําบุญหรืสั่งให้ไปทําบาปได้เวลาตายนี้เป็นเวลาที่เราต้องไปรับผลบุญและผลบาปอย่างนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้เราสามารถปรับใจของเราให้เป็นใจที่ผลิตแต่ความสุขผลิตแต่เหตุการณ์ที่ดีให้กับเราได้ ทำให้ใจของเราไม่ผลิตเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ผลิตความทุกข์ให้กับใจของเราได้ด้วยการไม่ทําบาปและด้วยการทําบุญนี่คือสองข้อแรกที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาพยายามปฏิบัติกันทํากันให้ได้คือละการกระทําบาปทั้งปวง เกือให้ถือศีลห้ากันเป็นปกติเป็นนิสัยเป็นนิจศีลถือทุกวันไม่ใช่จะเฉพาะวันพระหรือเวลาที่เราไปวัดทาบุญแล้วเขามักจะให้เราสมาทานศีลห้ากันความจริงเวลาสมาทานศีลห้านี้เขาต้องการให้เรารักษาไปตลอดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่เราอยู่ในวัดเท่านั้นพอออกนอกวัดเราก็ทิ้งไว้ที่หน้าวัด เราก็กลับไปโกหกกันต่อไปกลับไปขโมยข้าวของเงินทองกันต่อไปการักษาศีลแบบนี้ไม่ได้ประโยชน์นะครับรักษาศีลแล้วต้องรับศีลที่วัดแล้วต้องเอากลับไปเอาติดตัวไปเหมือนที่เรารับพระแล้วเราก็ห้อยติดคอเราไปขอให้เรามารับศีลดีกว่ารับพระเพราะว่าพระนี้ไม่มีอำนาจที่จะมายับยั้งให้เราไปเกิดในอบายได พระที่เราห้อยก่อนนี้ห้ามให้ไม่ให้เราไปอบายไม่ได้แต่ศีลที่เรารับนี้จะห้ามไม่ให้เราไปอบายได้ยังขาให้เรามาห้อยศีลกันดีกว่าอย่าไปห้อยพระอพระนี้ไม่มีอะไม่มีประโยชน์อะไรเป็นเพียงแต่ความเชื่อของพวกเราเองเท่านั้นถ้ามีประโยชน์พระก็ต้องห้อยพระด้วยสิทําไมพระไม่ได้ห้อยพระะ ทำไมพระต้องมารักษาศีลก็เพราะว่าศีลมันมีประโยชน์แต่พระไม่มีประโยชน์พระเป็นตุกตาท่านนันเองเป็นวัตถุที่เราเอามาจากดินหรือเอามาจากโลหะมีพระเป็นโลหะเช่นพระเงินพระทองพระทองเหลืองทองแดงหรือว่าพระที่ปั้นด้วยดินอันนี้เป็นวัตถุ วัตถุมันไม่มีความวิเศษในตัวของมันหรอกแต่สิ่งที่วิเศษมันคือศีลเนี่ยอยู่ในตัวเราทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนให้พวกเราห้อยพระกันลองไปศึกษาในพระไตรปิฎกดูเลยแปดมือสี่พันธรรมบทนี่ไม่มีบทใดที่สอนให้พวกเราห้อยพระกันแต่สอนให้เราห้อยศีลกันให้เราละ ก, การกระทําบาปทั้งปวง ให้เราทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมนี่ขั้นเบื้องต้นของการปฏิบัติท่านสอนให้เราเป็นนักบุญกันก่อนคือให้เรารักษาศีลห้าไม่กระทำบาปไม่เสพอบายามุขแล้วให้ทำบุญทุกชนิดเลยชอบทำบุญแบบไหนทำไปเลยชอบผ้าป่าก็ทำผ้าป่าชอบกะถินก็ทำกะถินชอบสังฆทานก็ทำสังฆทานชอบบุญชนิดไหน มีโอกาสที่จะทำได้ให้ทำไปเลยเพราะบุญไม่ว่าชนิดไหนนี้ให้ผลต่อจิตใจเหมือนกันคือให้ความน่มเย็นเป็นสุขต่อจิตใจให้มีแต่มโนภาพที่ดีปรากฏขึ้นมาเวลาที่นอนหลับแลอเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วอันนี้คือละขั้นและขั้นขั้นแรกของของชาวพุทธเราที่เราพึงจะปฏิบัติกัน พยายามรักษาศี่ห้าให้บริสุทธิ์ทุกวันไม่ใช่แต่เฉพาะวันที่เราเลือกจะรักษากันควรพยายามทำให้ได้ทุกวันเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาแล้วมันจะทำให้เราเไปทำบาปกันนั่นเองแล้วมันจะทำให้เราต้องไปรับผลบาปกันต่อไปแต่ถ้าเรารักษาสี่ห้าได้ทุกวันนี้ โอกาสที่ตายไปแล้วจะปลายใยนี้แทบจะมีไม่มีไ ม, ม, ม, ม, ม่มากเลยหรือแทบจะไม่มีเลยถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราทำบุญรับรองได้ว่าทุกครั้งที่เราตายนี้เราจะตายไปเราจะไปสู่สุคติสุคติก็คือการไปสู่พบของมนุษย์ของเทวดาของอินของพรหมเรียกว่าสุคติหรือของพระอริยเจ้าเรียกว่าสุคติ จะไม่ไปเกิดในทุกขติคือไม่เกิดในอบายสีที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรก น, นี่คือข้อสองข้อแรกที่พทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำเป็นขั้นอนุบาลหรือขั้นปฐมหรือขั้นมัธยมอยู่ที่การละการกระทำบาปทั้งปวงและการ การสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเมื่อเราสามารถปฏิบัติทำสองข้อนี้ได้อย่างมั่นคงแล้วท่านก็สอนให้เราขึ้นสู่ขั้นสูงสุดคือคือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำไมเราต้องมาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าการทำบุญการละา บ, บาปี้ ยังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงแต่ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดในสุกติจะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขกติถ้าเราไม่ทำบาปทั้งปวงเราทำบุญทากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเวลาเราตายไปทุกชาตินี้เราจะไปเกิดในสวรรค์หรือไปเกิดเป็นมนุษย์เลย จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปตกนรกแต่เรายังต้องกลับมาเกิดกันอยู่เพราะว่าการละการกระทำบาปและการสร้างกุศลเหล่านี้ยังไม่ได้กาจัดเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันนั่นเองเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดก็คือกิเลสตัณหานีงที่จะต้องได้รับการชำระด้วยการปฏิบัติทำขั้นที่สูงกว่าคือการ ปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าการเจริญจิตตภาวนาการเจริญจิตตภาวนานี้เป็นการชําระจิตใจซักพอกจิตใจการปฏิบัติจิตตภาวนานี้เป็นเหมือนเครื่องซักพอกเวลาเรามีเสื้อผ้าที่สกปรกนี้เราก็เอาไปใส่เครื่องซักผ้าใส่น้ําใส่ผงซักพอกเข้าไปแล้วปล่อยให้เครื่องจัดการ เดี๋ยวสักพักเครื่องก็จะชัมซักฟอกเสื้อผ้าให้สะอาดใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราได้เข้าสู่ขบวนการของการปฏิบัติจิตตะภาวนาที่มีอยู่สองระดับด้วยกันคือส ม, มะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาพอเราได้เข้าสู่การบาเพ็ญจิตตะภาวนาแล้วใจของเราก็จะเริ่มสะอาดขึ้นไปตามลำดับ กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆจะเบาบางลงไปตามลำดับและหมดสิ้นไปได้ในที่สุดแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติจิตตภาวนาได้เราต้องเพิ่มการรักษาศีลให้เพิ่มมากขึ้นอีกสามข้อด้วยกันเป็นอย่างน้อยคือต้องมารักษาศีลแปดกัน หรือไม่ฉะนั้นก็ไปรักษาศีลสิบรักษาศีลสองอยิบเจ็ดนะครับการรักษาศีลเหล่านี้มากขึ้นเท่าไหร่มันจะทำให้เราไปถึงพระนิพพานได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นเองศีลแปดก็ไปช้ากว่าศีลสิบศีลสิบก็ไปช้ากว่าศีลสองรอยิบเจ็ดเพราะอะไรเพราะศีลจะเป็นผู้ที่จะเอาเวลามาให้เราได้ปฏิบัติกันนั่นเองถ้าเราถือศีลห้านี้เราจะ ไม่ค่อยมีเวลามาปฏิบัติเพราะอะไรเพราะศีลห้าไม่ห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวกันนั่นเองถ้าเราถึงศีลห้าเรายัางไปเที่ยวกันได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปงานเลี้ยงได้ไปงานแต่งงานไปงานวันเกิดเวลากลับมาบ้านก็ร่วมหลับนอนกับแฟนได้แต่ถ้าเรามาถึงศีลแปดแล้วเราทํากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ศีลแปดศีลสิบแื้วศีลสองอยยิบเจ็ดนี้ จะมาห้ามให้ไม่ให้เราไปทํากิจกรรมอื่นๆเพื่อที่จะได้ดึงเอาเวลาให้พวกเรามาทํากิจกรรมอันนี้อันเดียวคือการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้พวกเรามาบําเพ็ญจิตตภาวนากันเพื่ให้มาเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลําดับอย่างนั้นถ้าเราอยากจะชําระจิตใจเราต้องมาหัดถือศีลแปกันก่อน ถ้าเรายังไม่เคยถือศีลแปดเราก็หาวันที่เราหยุดทํางานสมัยโบราณเนี่ยวันพระเป็นวันหยุดทํางานเป็นวันที่พวกเราหรือญาติโยมสมัยพุทธกาลสมัยโบราณนี้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานอย่างวันนี้ถ้าเป็นสมัยโบราณนี้จะหยุดงานกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะวันมาฆะเพียงวันเดียวทุกวันพระนี้จะไม่ทํางานกัน แต่ในยุคปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนวันหยุดทำงานจากวันพระมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วมันจึงทำให้เราไม่มีวันพระกันเพราะว่าวันพระไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของเราเราจะไปถือศีลแปดก็ถือไม่ได้เราจะไปอยู่วัดก็ไปไม่ได้เพราะเราต้องไปทำงานกันแต่สมัยก่อนนี้เขาหยุดวันพระกันพอถึงวันพระ เคยรักษาศีลห้าก็ไปรักษาศีลแปดไม่เคยฝึกสมาธิก็ไปฝึกสมาธิกันไม่เคยเจริญปัญญาก็ไปเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมกันดังนั้นสมัยนี้เราก็ต้องเอาวันพระเอาวันหยุดของเรานี้มาเป็นวันพระแทนอย่าไปดูปฏิทินที่เขาเขียนว่าวัาวนนี้เป็นวันพระแต่ตรงกับวันจันบ้างอังคารบ้างพุธบ้าง ให้เรามาเปลี่ยนวันพระของเราให้เป็นวันหยุดทำงานของเราพอวันไหนเราหยุดทำงานลรวบอกวันนี้เป็นวันพระของเราแล้วเราต้องเข้าวัดแล้วหรือเราต้องปฏิบัติทำระดับระดับจิตตภาวนาแล้วเราต้องการชาระจิตใจให้สะาอาดเพราะเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเราไม่ได้ชาระจิตใจนี้จิตใจจะไม่ไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิด จิตใจจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรามาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และการจะชำระได้ก็ต้องถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปฝึกสมาธิฝึกสติฝึกปัญญากันเอจะทําปฏิบัติธรรมแบบนี้ได้อย่างสะดวกง่ายได้ก็ต้องไปปฏิบัติที่วัดกันเพราะว่าที่บ้านมันไม่เอื้อที่บ้านนี้คนอื่นเขาไม่ปฏิบัติเหมือนเรา ยกเว้นว่าเราบางังคับไม่ทุกคนในบ้านถือศีลแปดเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันก็อยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าทุกคนในบ้านปฏิบัติเหมือนกันก็ปฏิบัติที่บ้านก็ได้ทุกคนไม่กินข้าวเย็นเหมือนกันทุกคนไม่เปิดทีวีดูไม่ฟังเพลงไม่ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ร้องลําทําเพลงอย่างนี้ก็อยู่ที่บ้านก็ได้แต่ปัญหาคือ คนส่วนใหญ่ไม่ยอมปฏิบัติกันเพราะเขาอาจจะไม่ได้ยินได้ฟัง ร, รมหรือเขาไม่สนใจเขาเลยไม่รู้คุณค่าของการชำระจิตใจว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรเขาไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลแปดว่ามีประโยชน์อย่างไรเขาไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติจิตตภาวนาว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจอย่างไร ในเมื่อเขาไม่เห็นเขาก็จะไม่ปฏิบัติเขาก็จะไม่ถือศีลแปดเขาก็จะไม่นั่งสมาธิไม่ฟังเทศฟังธรรมเขาเคยดูหนังฟังเพลงเขาก็จะดูหนังฟังเพลงต่อไปเขาเคยกินเคยดื่มตามความอยากของเขาเวลาใดเขาก็จะทําตามที่เขาทําไปดังนั้นเราก็อาจจะรู้สึกยากลําบากถ้าเราต้องปฏิบัติกับอยู่อยู่ที่บ้านกับเขา เราดึงต้องไปปลีกวิเวกไปหาสถานที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติในเรื่องของการชำระจิตใจของเรานั่นเองเราก็ต้องไปที่วัดต้องไปวัดเดี๋ยวนี้วัดก็มี2แบบวัดแบบไม่ปฏิบัติก็มีวัดที่ปฏิบัติก็มีถ้าเราต้องปฏิบัติต้องการปฏิบัติเราก็ต้องเลือกไปวัดที่เขาสนับสนุนการปฏิบัติถ้าไปวัดที่เขาไม่สนับสนุนการปฏิบัติก็ จะไม่มีการปฏิบัติเน่ะั้นก็ต้องเลือกวัดที่มีการปฏิบัติสนับสนุนให้มีการปฏิบัติให้มีการเจริญสมาธิจเจริญสติจเจริญปัญญ า, านี่คือวันพระถ้าเรายังไม่เคยปฏิบัติยังไม่เคยรักษาศีแปดก็ควรที่จะหัดทํากันแต่ก่อนที่จะมารักษาศีแปดได้นี้ก็ต้องรักษาสีห้าให้ได้ก่อน ตาสีห่ยังไม่ได้จะไปรักษา ส, สีนแปดมันก็ยิ่งยากใหญ่ก็เหมือนกับถ้าเรายังอยู่เรายังไม่จบชั้นปถมเราจะไปเรียนชั้นมัธยมเหมืนไม่ได้สีหนานี้เหมือนชั้นปถมสีแปดนี้เหมือนชั้นมัธยมจะอยากจะขึ้นชั้นมัธยมก็ต้องผ่านชั้นปถมก่อนต้องหันรักษาศีห่ากันให้ได้ก่อนเมื่อรักษาสีห่ได้แล้วทีนี้วัน พระวันหยุดของเราเราก็มาเปลี่ยนเป็นศีลแปดสักวันหนึ่งมาลองรักษาศีลแปกันแล้วก็ลองไปหาที่สงบถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้ถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอยู่คนเดียวของเราคําว่าวัดที่แท้จริงก็หมายถึงที่ที่สงบที่ที่สนับสนุนการปฏิบัตินี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวัดที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีพระอย่างเดียวที่ไหนที่สงบสงัดวิเว้ ที่ไม่มีอะไรมาคอยขัดขวางการปฏิบัติการรักษาสิงหแปดการนั่งสมาธิที่นั่นก็ถือว่าเป็นวัดได้เนื่อถ้าเรามีวัดอยู่ที่ที่บ้านเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบไม่มีใครมารบกวนไม่มีใครมาคอยให้เราไม่สามารถปฏิบัติศิงสมาธิปัญญาได้ที่นั่นก็ถือว่าเป็นวัดได้ พอเรามีที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติแล้วเราก็ต้องสมาทานการว่าสมาทานนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพระมาบอกการสมาทานก็คือเป็นการตั้งจิตตั้งใจของเรานั่นแหละว่าวันนี้จะรักษาศีลแปดตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานั้นเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนพอเราตั้งใจแล้วทีนี้เราก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วว่า เราจะไปเปิดดูหนังหรือเปล่าจะไปเปิดฟังเพลงหรือเปล่าเลยเที่ยงไปแล้วเราจะไปกินอาหารหรือเปล่าอันนี้ต้องมีสติคอยควบคุมใจพอจะไปทำกิจกรรมที่ห้ามเราก็ต้องหยุดไม่ทำแล้วเราก็เอาเวลาที่เราไม่ไปทำกิจกรรมเหล่านั้นมาฝึกสติได้ก็ก่อนจะทาสมาธิทำใจให้สงบได้เราต้องมีสติก่อน ถ้าไม่มีสติเราจะหยุดใจหยุดความคิดไม่ได้ถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้ก็ทำให้ใจสงบไม่ได้ทำให้ใจเป็นสมาธิไม่ได้เราต้องทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิก่อนเพราะเราจะได้มีกำลังจิตที่ไม่มีสมาธินี้ไม่มีกำลังจิตที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกำลังที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาต้องมีกำลังก่อน กำลังของสติกำลังของจิตก็คือความสงบเป็นเหมือนอาหารทหารตำรวจก่อนที่จะไปปฏิบัติการนี่ต้องให้เขากินข้าวก่อนให้เขากินข้าวพักผ่อนหลับนอนจนกระทั่งร่างกายเขาอิ่มน้ำสาลานมีกำลังได้พักผ่อนหลับนอนไม่เหนื่อยไม่ง่วงมีกำลังตอนนั้นก็ให้เขาไปทำงานไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูใจของพวกเราก็เหมือนกัน การปฏิบัติภาวานานี้ก็คือการไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่เป็นคอยเป็นที่เป็นตัวที่คอยจะดึงให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองก็คือไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆจะสู้กับกิเลสตัณหาได้ใจก็ต้องมีกำลังกาลังของใจก็คือสมาธินี่เองเพอเวลาที่เราทำใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขมากจะมีความอิ่มมีความพอ จะไม่หิวไม่โหยจะสามารถต้านอำนาจของกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหาก็คือความหิวความอยากต่างๆนี่เองถ้าเราต้องการจะหยุดความหิวความอยากนี้เราต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเราถ้าเราไม่มีเราจะสู้กิเลสไม่ได้ดังนั้นในเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปขั้นต่อสู้กับกิเลสด้วยปัญญานี้เราต้องใช้ เราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนสร้างกำลังให้กับจิตใจก่อนด้วยการฝึกจิตด้วยการฝึกสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราไม่นั่งก็ให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆเวลาที่เราทําอะไรก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธไปหรือให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปลงฟัน ก็อยู่กับการแปลงฟันหวีผ้าห ว, วีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับงานนั้นๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันจะไปคิดก็ดึงมันมาด้วยพุทโธก็ได้พอจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็พุทโธพุทโธดึงกลับมาคอยดึงอยู่เรื่อยๆแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะได้ไม่ลอยไปลอยมานั่นเอง พอมีสติแล้วก็จะเวลานั่งก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้พุธโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้การเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เวลานั่งก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางทีจะผสมทั้งสองอย่างก็ได้บางคนก็ชอบพุธเข้าโทออกหายใจเข้าก็ว่าพุธหายใจออกก็ว่าโทก็ได้บางคนก็จะดูลมเฉยเฉยไม่ต้องมีพุธโธก็ได้ดูที่ปลายจมูกดูที่ลมเข้าลมออก บางคนก็ไม่ดูลมเลยใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ให้มีอย่างใดอย่างหนึ่งกำกับใจถ้าไม่มีแล้วใจจะไม่นิ่งใจจะคิดหรือใจจะผลิตอาการแปลกๆขึ้นมาให้เราได้สัมผัสรับรู้แล้วอาจจะทําให้เราหลงคิดว่าเป็นสวรรค์เป็นนิพพานขึ้นมาก็ได้อาการต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรานั่งสมาธินี้ไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลแต่อย่างใดขอให้เราทําความเข้าใจไว้ตั้งแต่บัดนี้เราจะได้ไม่หลงกัน เพราะคนบางคนนี้ไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้จักวิธีนั่งสมาธินั่งแล้วก็ไม่มีสติควบคุมใจพอนั่งหลับตาปป๊บเดี๋ยวก็โผล่ไอ้นั่นก็โผล่ ข, ขึ้นมาไอ้นี่ก็โผล่ ข, ขึ้นมาแล้วก็ไปตู่เอาว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่นะมรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นแบบนี้มันไม่ได้เกิดในขณะที่เรานั่งสมาธิเวลาที่เรานั่งสมาธินี้ ถ้าไม่มีสติมันจะมีอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นโผลขึ้นมาก็ต้องแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราต้องรีบกลับมาที่พุโทโธกลับมาที่ลมหายใจอ ย, อย่าไปตามเห็นตามรู้กับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะหลอกตัวเราเองว่าเราเป็นพระอารหันต์แล้วเป็นพระนู่นพระนี่แล้วการนั่งสมาธินี้นั่งเพื่อทำจิตใจให้สงบจะสงบได้ต้องมีสติ คอยกำกับใจอย่านั่งแบบไม่มีสติถ้านั่งแบบไม่มีสตินี่ก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นนะผลก็จะผิดผลก็จะไม่ได้เป็นผลที่จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเรานั่งสมาธิต้องการให้จิตใจสงบให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอเท่านั้นแหละนี่คือสมาธิเพราะว่าถ้าเรามีสมาธิแล้วก็เหมือนกับร่างกายที่ได้รับการพักผ่อนหลับนอนได้รับประทานอาหารแล้ว ก็พร้อมที่จะไปทำงานทุกวันก่อนที่เราจะไปทำงานนี้เราต้องพักผ่อนหลับนอนกันก่อนตื่นขึ้นมาก็ต้องรับประทานอาหารก่อนก่อนที่จะออกไปทางานกันถ้าไม่ได้ทำไม่ได้อาหารไม่ได้ไม่ได้หลับนอนก็จะไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะไปทำงานได้ฉนั้นใดการที่จะไปต่อสู้ไปกาจัดกิเลสตัณหาด้วยวิปัสสนาภาวนานี้ต้องมีสมาธิภาวนาก่อนจิตต้องมีสมาธิก่อน พอจิตมีสมาธิออกมาแล้วทีนี้ก็มีกำลังที่จะไปกำจัดกิเลสตัณหาด้วยการใช้ปัญญาคือต้องต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะหยุดความอยากได้หยุดกิเลสตัณหาได้เวลาอยากได้อะไรให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นะั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ได้ให้ความสุขกับเราหรอกเดี๋ยวมันจะให้ความทุกข์กับเราได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องทุกทุกเพราะว่ามันจะหมดไปนั่นเอง เวลาได้เงินมาก็ดีใจกันพองเงินหมดก็เสียใจกันอันนี้เงินมันเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เราอยากได้นี้เวลาได้มาแล้วมันจะไม่มันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องหมดมันจะต้องจากเราไปให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะทําให้เราหยุดความอยากได้ถ้ามันยังฝืนยังเดื้ออยู่ รู้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันจะให้เราทุกข์เราก็ต้องแสดงว่าสมาธิเราหมดกำลังแล้วก็ต้องกลับไปเข้าสมาธิก่อนไปพุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วมันก็หยุดความอยากได้ น, นี่คือวิธีที่เราจะชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจพอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วเทนี้ก็ไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ร1250รูปที่มาประชุมกันในวันนี้ใจของท่านทั้งหมดเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเหมือนพวกเราแล้วพวกเรามาประชุมกันเหมือนกันแต่พวกเราต่างกันตรงที่จิตใ จ, จเน่ร่างกายอาจจะมาประชุมกันในวันมาคาบูชาแต่จิตใ จ, จนี้ยังเป็นจิตใ จ, จที่ยังเต็ดไปด้วยกิเลสตาาัณหาเพราะพวกเรายังไม่ได้ปฏิบัต ไม่ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะครและก่อนที่เราจะชำระจิตใจได้เราก็ต้องมาละการกระทำบาปทั้งปวงก่อนสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมก่อนเพราะถ้าเราไม่ทำสองขั้นนี้เราจะไม่มีกําลังที่จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สามได้คือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองนี่คือเรื่องของธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในวันมาคบูชา ที่พวกเรามาลํำลดถึงกันในวันนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมและเราจะได้น้อมนําเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราต่อไปคือการสิ้นสุดจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตาหนังอุปกปติอ an ิชิตังปฏติต um ังตุมหังเขปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติ ประโสยตาสพิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีธีขาโยโกภวะอภิวาทนสีฤิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขัง ลำดับต่อไปก็เหลือห้านาทีเป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาวันนี้คนถวายของเกือบสี่สิบนาทีคนมากก็วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สี่ร้อยหกสิบสองาร้อยสี่สิบเอ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกรับฟังบนเขาสามรอยเก้าสิบเก้า รวมห น, นึ่งพันสองรอยี่สบแปดระาจารย์อ๋อวันนี้จุดสูงสุดยิวไฮหนึ่งพันเลยล 1, เหรอพันสองรอยยี่บแปดก็ดีทุกคนสนใจธรรมะกันออไม่มีอะไรจะดีเท่ากับธรรมลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงออลดแห่งธรรมคือลถของการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองเออขอให้เราเข้าหากันออแล้วจะมีแต่ความสุข อ่ามีคำถามไหมมีคำถามครับอาจารย์คำถา ม, มคำถามฝากถามค่ะอนัตตาหมายถึงตัวตนไม่มีแทนที่ไม่มีตนความหมายเช่นเดียวกันไหมครับเอ่อไม่มีตนไม่มีตัวตนอทุกอย่างเป็นดินน้ําลมไฟเราปั้นมันขึ้นมาแล้วเราก็ไปสมมติว่าเป็นเป็นเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ความจริงมันทำมาจากดินน้ําลมไฟไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอ เป็นของยืมมาทั้งนั้นยืมมาจากดินน้าลมไฟเดี๋ยวตายไปก็คืนเขาไปร่างกายก็คืนเขาไปสมบัติเข้าของเงินทองก็คนอื่นก็เอาไปไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราคำถามฝากถามคะ่ะถวายสังฆทานเวียนได้บุญเต็มไหมเจ้าคะอ๋อได้คือหมายถึงว่าทางวัดเขาเอามาให้เราเวียนแต่ถ้าเราเวียนเองไม่รู้ <c oughs> อีกคำถามคะ่ะอุทิศบุญให้คนตายเอ่ยชื่อคนเดียวกับเอ่ยชื่อหลายคนบุญจะได้เท่ากันไหมเจ้าคะคือคนที่รับเนี่ยถ้าเราไม่เอ่ยชื่อเขาเขาก็รับไม่ได้เหมือนเขียนเช็คถ้าไม่เขียนชื่อเขาเขาก็รับไม่ได้นั้นถ้าเราเขียนหลายคนเขาก็ต้องไปแบ่งกันถ้าเขียนคนเดียวเขาก็เอาไปคนเดียว อยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้ใครเราก็อุทิศให้กับคนนั้นไปคำถามจากเฟ e บุ๊กค่ะตอนนี้ประสบปัญหาเ mm hmm. พื่อนที่คบกันมากว่าสามสิบปีโกงเงินค่ะยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนเอาเอกสารที่เดียนปลอมไปจำนองอีกหลายๆคนโกงค่าแรงคนงานจะใช้ทำข้อไหนทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นคะก็ไม่ใช่ของเราไงก็บอกแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราไม่จา ก, กันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย ยันอะไรที่ไม่อยู่กับเราก็ถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็แล้วกันถ้ามันกลับมาหาเราก็ถือว่ายังเป็นของเราอยู่ถ้ามันไม่มาก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วเราจะสบายใจคำถามจากคุณบุญเกิดรอฟังธรรมพระอาจารย์อยู่ที่บ้านกลับมาที่วัดอันไหนดีกว่ากันเจ้าคะก็ต้องลองเองจะมาถามเราได้ไงคนฟังก็ต้องทดลองดูว่าฟังที่ไหนดีกว่ากัน จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการไม่มีลูกถือเป็นสิ่งที่ดีต่อการดําเนินชีวิตและการบรรลุธรรมใช่หรือไม่ครับถ้าเป็นทางธรรมก็การไม่มีลู ก, กดีเพราะไม่มีบ่วงพอพระพุทธเจ้าได้ลูกขึ้นมาท่านก็พูดราหุ่นลาหุนาห่นแปลว่าบ่วงจะถ้ามีลูกแล้วมันก็ต้องเลี้ยงดูต้องคอยรักคอยห่วงคอยห่วงก็จะไปทําอย่างอื่นไม่ได้จะไปบวชก็ไปไม่ได้ นอกจากว่ามีคนอื่นดูแลให้ก็ยังพอจะไปได้อยู่การไม่มีลูกในทางธรรมดีกว่าแต่ในทางโลกการไม่มีไม่มีลูกมันไม่ดีไม่มีใครมาเลี้ยงเราตอนแก่หรือไม่มีคนมารับสมบัติที่เราหามาถทาเป็นทบตายทางโลกก็คิดว่าการมีลูกดีแต่ทางธรรมนี้มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ทุกข์ทุกทั้งขณะที่อยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นภาระเ ป, เป็นบ่วง จะแยกจากการไปทำอะไรก็ไม่ได้ต้องคอยดูแลกันไปจนวันตายาสุดท้ายนะี่วีหมดเวลาแล้วนนปัจจุบันถือศีลห้าศีลแปดเป็นประจำแต่ห่วงเรื่องลูกเขามีศีลห้าเป็นเปีชาติบุตรก็ว่าได้แต่ขัดสนเรื่องการหาเงินเขาไม่สบายใจวัดก็เข้าบุญก็ทำมากแต่เขาผิดหวังเรื่องอาชีพค่ะ เมตตาชี้แนวทางเดินกับเขาด้วยค่ะเราอย่าไปมองเงินนะเรามองที่ศีลดีกว่าศีลมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองพระพุทธเจ้าบอกให้สละทรัพย์เพื่อรักษาศีน่ะสละทรัพย์สละอวัยวะสวะแม้แต่ชีวิตก็ให้สละเพื่อรักษาศีนะเพราะศีล น, นี้จะเป็นสิ่งที่จะกุ้มครองเราไม่ให้ไปตกต่ําไม่ต้องไปรับโทษจากการกระทําบาปของเรา เยันขอให้เรามีศีลดีกว่ามีเงินทองมีเงินทองตายไปเงินทองช่วยเราไม่ได้แต่มีศีนี่ศีนช่วยเราได้ป้องกันไม่ให้เราไปอบายเอาล้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาถ้าอยากจะฟังก็ต้องมาใหม่ในโอกาสหนะ้าหรือติดตามทางบ้านได้มีการถ่ายทอดสดเป็นประ จ, จาทุกวันตั้งแต่บ่ายสองโมงไป